ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจารณะคือพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลทางวาจามาดูลักษณะคําพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบอกว่าพระสมณะโคโดมเนี่ยนะละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จเพราะันเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดสิ่งที่ไม่จริงไม่มีแม้แต่นิดเดียว น, นะเจตนาที่จะพูดให้คลาดเคลื่อนไม่มีเลยสิ่งใดที่ไม่จริงพระองค์ก็บอกไม่จริงเอ เขาบอกว่าคําพูดไม่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เห็นว่าเห็นจริงๆไม่เห็นอะแต่ว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่เคยรู้กลิ่นประเภทนั้นมาเลยแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รับรถชนิดนั้นแล้วบอกว่ารับรู้รถไม่ได้รับสัมผัสแบบนั้นแต่บอกว่ารับสัมผัสไม่ไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่รู้แต่บอกว่ารู้อันนี้เป็นเท็จใช่ไหมถ้าจริงเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เห็นก็ว่า ไม่เห็นได้ยินก็ว่าได้ยินไม่ได้ยินก็ว่าไม่ได้ยินรู้กลิ่นก็ว่ารู้กลิ่นไม่รู้กลิ่นเหล่านั้นก็ไม่รู้เนี่ยนะรู้รสก็บอกว่ารู้รสไม่รู้รสก็บอกว่าไม่รู้รสแล้วก็รับสัมผัสทางกายได้รับก็บอกว่าได้รับไม่ได้รับก็บอกว่าไม่ได้รับสัมผัสมีความคิดแบบนั้นหรือไม่มีความผิดก็เปิดเผยตนตามความเป็นจริงอันนั้นเรเรียกว่าเป็นคาจริงเนี่ยนะครับคือถ้าพูดเมื่อไหร่แล้วต้องเป็นความจริง แต่ไม่ได้แปลว่าความจริงทุกคนต้องออกมาพูดอันนี้ศึกษาให้ดีนะเพราะว่าสัมมาวาจานี้ก็มีองค์ประกอบใช้วาจาสุภาสิทธินี่มีองค์ประกอบเพราะอะไรเพราะเพราะจริงนั้นต้องไม่ไม่ยุแยกให้เขาแตกแยกกันเป็นความจริงที่พูดแล้วคนอื่นเขาไม่เสียประโยชน์แล้วก็เป็นความจริงที่ไม่ใช่ไร้สาระนะแล้วก็ไปรู้การรู้การ เป็นการันอยู่บุคคลรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บริษัทรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรพูดให้เป็นอะไรเพื่ออะไรแล้วจบลงที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าพูดเป็นอันนะ่ะก็เว้นจากการพูดที่สิ่งที่ไม่เป็นความจริงซะคนที่พูดไม่จริงเนี่ยนะถ้าคิดไปหนึ่งมันต้องคอยหลอกมันอะไรนะถ้าหลอกคนอื่นที่จริงคนที่จะหลอกคนอื่นได้นะั้นต้องหลอกตัวเองก่อน หลอกตัวเองเออเนี่ยมันใช่ละเออถ้าพูดอย่างนี้มันไม่จริงเราเชื่อนะแม้แต่เราเรายังเชื่อเลยว่ามันพูดอย่างนี้เนี่ยทั้งๆที่มันไม่จริงแต่ถ้าใช้วิธีพูดแบบนี้นะเออมันน่าจะจริงสมเหตุสมผลเนีย่ยนะอันนี้มุสาเลยใช่ไหมทั้งๆที่มันไม่จริงอะนะเสร็จแล้วถ้าพูดไปหนึ่งครั้งแล้ววันหลังเนี่ยเปิดเผยว่าไอ้ที่วันก่อนฉันพูดไม่จริงก็จะเอามุสาต่อมุสาโดยมากเนี่ยนะเรียกว่าหลอกซ้อนหลอกก็เลยหลอกตัวเองซ้ําๆำซาก เพราะคนที่จะหลอกคนอื่นนั้นก็ต้องหลอกตัวเองก่อนคิดหลอกตัวเองก่อนว่าเออหลอกอย่างนี้อยได้ทั้งๆตัวเองก็รู้อยู่นะรู้อยู่แก่ใจแล้วก็คิดหลอกไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงมันคนที่พูดคําจริงนั้นจะต้องพูดความจริงต่อด้วยความจริงเมื่อวานก็พูดความจริงวันนี้ก็พูดความจริงพรุ่งนี้ก็พูดความจริงอดีตที่ผ่านมาพูดความจริงมาตลอดต่อต่อไปก็จะพูดแต่ความจริง ไม่มีคําเท็จในระหว่างในระหว่างในระหว่างเขาเรียกว่าดํารงอยู่ในคําจริงเขาเรียกว่าดํารงมั่นอยู่ในคําสัต์คําจริงพูดคําสัต์คําจริงอย่างต่อเนื่องไม่มีคําเท็จแม้แต่คําเดียวไม่ต้องจับผิดเพราะอะไรเพราะไม่มีคําพูดที่ผิดจากความจริงวจีกรรมคําพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นอย่างนั้นไม่มีคําใดที่ปราศจากความจริงว่างั้นะทุกคําเป็นคําพูดที่เป็นความจริงทั้งหมด แล้วก็เป็นคําพูดที่มีถ้อยคําเป็นหลักฐานคําว่าหลักฐานเนี่ยแปลว่ามีเหตุเนี่ยนะมีเหตุแล้วก็อ้างอิงได้หมดอ่าเป็นคําพูดที่ควรเชื่อถือเนี่ยนะควรเชื่อถือเป็นคําพูดที่ไม่หลวงโลกเนี่ยนะไม่หลอกลวงไม่เหมือนกับเรา ล, ว ง, ลวงโลกก็คือคําพูดที่เป็นมายาใช่ไหยคําพูดที่เป็นมายาเช่นว่ม า, ามายาเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นพยับแดดเป็นเห็นพยับแดดเป็น น้ำเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นแล้วแต่จะคิดเนี่ยนะก็แล้วแต่จะคิดอันนั้นซึ่งซึ่งมันไม่เป็นความจริงหรือเหมือนดูภา พ, พยนตร์เนี่ยมันเป็นความจริงไหมไม่เป็นความจริงเนี่ยนะโดยมากแล้วไม่เป็นความจริงนั่นแหละคือลักษณะของเรียกว่าแต่สมัยใหม่เขาใช้คําว่าปลอมโลกเนี่ยนะทำโลกให้บันเทิงแต่จริงๆก็คือลวงโลกนั่นแหละเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคนไปเชื่ออย่างนั้นจริงเข้าละ นนะถ้าเกิดคนไปเชื่อซึ่งไม่ใช่ความจริงพระพู้เทอเจ้านั้นเป็นเป็นคนที่ใช้คำพูดนั้นเป็นคําพูดที่จริงเว้นจากการพูดเท็จโดยประการทั้งปวงเพราะสมาทานทาลายเจตนาเป็นเหตุให้พูดเท็จแล้วเนี่ยนะไม่มีการพูดเท็จเพราะเหตุใดๆไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องพูดเท็จเพราะรู้อะไรเอาอย่างี้ไหมเราพอใจไหมที่จะถูกคนอื่นหลอกถามจริงเลยนะ โอ้ยหลอกเราครั้งเดียวเนี่ยเราก็จําได้แล้วชอยถ้าหลอกถึงสองครั้งสามครั้งอะไรถ้าหลอกสามครั้งไปแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรต้องคุยกันเนี่ยนะเพราะไม่ที่เหลือจากนั้นเนี่ยไม่เชื่อแล้วว่ามันจะจริงอัน น, นก็อย่างที่เขาเ<ม>ขามีเรื่องเขาหลอกหลอกกันเนี่ยนะแต่ก็ก็บอกว่ามีคนเขาไปเยี่ยมไปเยี่ยมแขกเนี่ยนะเออไปเยี่ยมบ้านหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งไปเยี่ยม อ, อ, อีกครอบครัวหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งก็ทําอาหารรองรอรับเนี่ยนะไอคนนี้เกลียดอาหารชนิดนั้นมาก แต่แม้เขามีน้ำใจทำอาหารให้เราทานอร่อยมากเนี่ยนะทานทุกมือก็บอกโอ้อร่อยมากอร่อยมากทีนี้ไปเยี่ยมเมื่อไหร่เขาก็ทำแต่อาหารชนิดนี้หลอดเลี้ยงเนี่ยนะไอ้เคยเบื่อเต็มทีแล้วก็ไม่กล้า บ, บอกความจริงมักทุกครั้งไปทานทุกคำในชื่นชมยี่สิบปีเต็มๆ เ, เพราะว่าไปเยี่ยมปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งถ้าปีที่ยี่สิบเขารู้ว่าเขาไม่ชอบอาหารประเภทนี้เลยเนี่ยนะพอใจไหม พอใจไหมที่ได้แบบแมะถูกหลอกมาตลอดยี่ปีเนี่ยนะเต็มใจไหมเขาบอกไม่เต็มใจเพงั้นมันมุสาวาตเนี่ยนะเป็นคําพูดที่หลอกเนี่ยถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วมีความสุขในขณะนี้แต่ว่ามันเป็นผลเสียกับบุคคลทั้งทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปนั้นแสดงว่าถ้าเราบอกว่าเราถูกหลอกมายี่สปีเราจะมีความสุขไหมนั้นคําที่ไม่จริงนั้นจึงสร้างความเดือดร้อนเรียกว่าสร้างความเสียหายทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ต, อต่อไป แล้วก็ตัวเองก็จะขาดความขามว่าเขาจะเคารพตัวเองบ้างไหมจริงๆแล้วคนที่พูดไม่จริงแล้วรู้ตัวว่าตัวเองพูดไม่จริงเนี่ยค่อนข้างดูเหยียดยามตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะไม่เคารพตัวเองเนยนะแล้วก็ถามว่าและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนอื่นเขารู้เข้าจะเคารพตนไหมดงนั้นคนที่พูดความสิ่งที่ไม่จริงนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพตัวเองคนอื่นก็ไม่เคารพที่เรียกว่าวินยูชนพิจารณาใครโคลแล้ว ตำหนิเนี่ย น, นะติเตียนค่ะคำว่าตำหนิหรือติเตียนดูหมิน่นดูแคลนแล้วก็ตัวเองก็เหยียดหยามตัวเองแล้วก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยหลอกตัวเองไว้ต่อต่อไปใครอย่าพูดกับข้าพเจ้าที่เป็นความจรงิงเพราะเราพูดความไม่จริงกับคนอื่นสักครั้งหนึ่งกรมอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เราถูกหลอกอีกหลายครั้งด้วยกันเนี่ยนะถามว่าทําไมบอกว่าอา้าวเจตนามันไร้ผลใช่ไหม ถ้าเจตนาไม่มีผลจริงก็ไม่น่าจะต้องรักษาศีลทําไมแต่เนื่องจากว่าเจตนาที่สะท้อนออกไปทุกคําทุกคําทุกคำเนี่ยนะคำใดที่เราพูดไปนั่นแหละคือคําที่เราจะได้ยินต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคือคําที่เราจะต้องได้ฟังเองในอนาคตเมื่อเรารู้ว่าเราจะได้ฟังอะไรในอนาคตเราก็มาพูดพูดให้มันเป็นโดยที่ไม่ต้องลําบากใจที่จะฟังเคะว่าผลบุญเนี่ยนะเขาบอกว่าผลบุญเนี่ยคอยรับเหมือนญาต ถ้าผลบาปเนี่ยมาเหมือนศัตรูของกัอง น, นอเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยใครอยากจะต้อนรับบ้างไหมนะศัตรูเรียกว่าไม่อยากเราไม่ยินดีที่จะต้อนรับศัตรูฉันใดผลแห่งบาปประกรรมทั้งหลายที่เราทําออกไปเราก็ไม่ต้องการรับฉันนั้นทีนี้ตรงกันข้ามถ้าผลบุญเขาบอกว่าเปรียบเหมือนญาติผู้มีใจดีของกันเหมือนญาติที่แบบอยากเจอมานานอยากจะพบอยากจะเจอยินดีที่จะพบที่จะเห็นฉันใดผลแห่งบุญทั้งหลายก็เป็น ฉะนั้นเจตนาที่ที่เราได้ยินได้ฟังแต่ความความไม่จริงเนี่ย น, นะแต่ก็ในโลกนี้ก็ชอบฟังคามไม่จริงเยอะเหมือนกันนะเอาเขาบอกถ้าไม่สวยแล้วคนอื่นมาบอกว่าเราสวยไงเราชอบฟังหรือไม่ชอบฟังกันนะชอบมากฮะก็มีตั้งหลายคําเหมือนกันนะถึงบอกโอ้อะไรนะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยโอ้ใส่เสื้ออะไรมาสวยจังเลยไง น, น, นะคือคือถ้าหากว่าใช้คําประเภทนี้เยอะๆๆเข้าเนี่ย น, นะทั้งๆ้งที่รู้ว่าแก่ใจบางทีแต่โดยมากคนจะชอบฟังทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่จริงแต่ก็ ชอบฟังอันนี้เหตุทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ก็บอกว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยมีไม่มากหรอกพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนที่รักษาเจตนาเว้นจากมุสาวาตมีจํานวนน้อยนักคนที่มุสาวาตมีจํานวนมากกว่าเพียงแต่ว่าจะได้ประสบโอกาสได้เหตุผลอันสมควรที่จะมุสาวาตต่อไปไหมคือพูดคําที่มุสาเนี่ยแปลว่าเท็จเนี่ยนะแปลว่าไม่จริง แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีล ส, สมบูรณ์ด้วยศีลคืออันดับแรกทำลายเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดเท็จออกไปเนี่ยนะทำลายเจตนาในการพูดเท็จละการพูดเท็จเสร็จแล้วก็ดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงมีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือและไม่พูด ลวงโลกเนี่ยนะไม่หลอกลวงไม่ลวงโลกก็คือไม่ลวงทั้งตัวเองด้วยไม่ลวงทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยนะเพราะเพราะเป็นความจริงแต่ก็ไอ้เรื่องของความจริงเนี่ยมันต้องแบ่งประเภทเดจริงในความเชื่อเรียกว่าทิฏฐิสัจจะเนี่ยนะจริงในความเชื่อแล้วก็อะไรสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติกันขึ้นจริงในความเชื่อเขาเขาฝันจริงแต่สิ่งที่เขาฝันน่ะไม่จริง อันนี้ก็เจริงในความเชื่อสองจริงโดยสมมุติเช่นโวหารเรียกท่านนั้นท่านนี้เรียกอะไรก็ช่างเถอะอันนี้ก็เรียกว่าจริงโดยสมมุติกับจริงโดยเรียกว่าพูดคําสัตย์คําจริงเห็นว่าเห็นได้ยินว่าได้ยินเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวีรติสัจจะอันนี้จริงตามตามธรรมดากับจริงสูงสุดเลยก็คือจริงโดยอริยสัจเนี่ยนะจริงของทุกควรกําหนด รอบรู้ความจริงของสมุทัยควรละความจริงของนิโรธควรทำให้แจ้งความจริงของอริยมรรคควรเจริญมันก็เป็นความจริงระดับสูงไอคนที่พูดจริงเนี่ยนะเน้นเน้นพิเศษคือจริงโดยวิรติสัจจะพูดตามสมมติสัจจะได้อย่างถูกต้องอทิิถิสัจจะจริงในความเชื่อไม่เอาเป็นประมาณเอาว่าความจริงตามตามสมมติของชาวโลกอันหนึ่งความจริงตาม ตามวีรัตามศีลเห็นว่าเห็นได้ยินว่าได้ยินเป็นต้นแล้วก็สามจริงโดยอริยสัจจะถามว่าพระพุทธเจ้าใช้ถ้อยคำเป็นอย่างไรจริงโดยโวหารของชาวโลกเนี่ยนะจริงโดยสมมุติสัจจะสองจริงโดยศีลสามจริงโดยอริยสัจเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีศีล น, น, นะวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อไปเนี่ยนะ พระสมณะโคดมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือไม่พูดยุแยกเนี่ยนะไม่พูดยุให้เขาแยกกันที่เรียกว่าส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดยุแยกถ้าเสียดสีพูดกระทบกระเทียบสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นไปเป็นประเภทคำยากแต่ว่าพูดอะ น, นะยุให้แยกนะ่มันไม่ร้าวก็ทาให้มันร้าวก่อนซะมันร้านิดหนึ่งก็อะไรนะ ไปแง ๆ, ๆให้มันร้าวขึ้นเนี่ยกระทุงขึ้นจนมันร้าวยิ่งขึ้นร้าวยิ่งขึ้นแล้วก็ทำยังไงที่มันจะประสานได้ไม่ติดลักษณะนั้นแหละเรียกว่าปิสุนาวาจาเนี่ยนะวาจาที่เรียกว่าสเสาะเสียดมันจะต้องงดเว้นคำพูดประเภทนี้อย่างเด็ดขาดคือทาลายเจตนาเป็นเหตุให้เขาแตกแยกกันเนี่ยนะ คนที่พูดทำให้คนอื่นแตกแยกกันเนี่ยวิธียุแยกให้คนอื่นแตกแยกกันก็คือฟังจากข้างนี้ไปบอกข้างโน้นมันจะได้แตกกันสักทีหนึ่งสองฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ให้ให้ฝ่ายเนี่ยเกลียด น, นะแล้วก็บอกว่าพอรู้ว่าเขาไม่ค่อยชอบพอกันอนาะยุอี่ส่งเลยเนี่ยนะยุส่งเลยยุส่งเลยยิ่งให้แตกหนักขึ้นแตกหนักขึ้น แล้วก็สรรเสริญคนที่แตกแยกกันเนี่ยมันแตกแยกแล้วมันดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับผู้บางคนเนี่ยพฤติกรรมบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าเขาสามารถขีดกันตัวเองเสื่อมผลประโยชน์นั้นวิธีการทำไงให้แตกกันที่สุดเท่าที่จะแตกได้เพราะ พ, พวกนั้นโวแต่ทะเลาะ ก, กันเราก็เลยโกยเอาแต่ผลประโยชน์เนี่ยนะซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นทําลายเจตนาเป็นเหตุให้ยุแยกทั้งหมดนะนะทำลายเจตนาให้ยุแยกเพราะ ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้มันแตกกันฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกกันนะสมานคนที่เขาแตกกันถ้าได้ข่าวว่าเขาขาดความสามัคคีและปรองดองพูดอย่างไรให้เขาสมัรสมานสามัคคีกันเพราะพระองค์เนี่ยสันเสริญเรื่องความสามัคคีมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งคืนเพื่อสรรเสริญความ สามัคคีว่าความสามัคคีนั้นมีประโยชน์อย่างไรท่านบอกว่าความสามัคคีของสงนำนำมาซึ่งความสุขก็เราคิดดูนะผู้าศาสนาถ้าสงแตกแยกกันอะไรจะเกิดขึ้นมันในบรรดากรรมหนักทั้งหลายเนี่ยนะมูสาวาทนี้ก็ไม่หนักเท่าไหร่ไม่เป็นอนันตริยกรรมอายุแยกนี่แหละเป็นอนันตริยกรรมทำสงให้แตกแยกกันนี่แหละเป็น อนันตรียกรรมเป็นกรรมหนักมากนะนะเรียกว่าสำนวนภาษาไทยเขาบอเป็นกรรมที่ให้อภัยไม่ได้ะงั้นนะก็คือกรรมประเภทพูดให้เขายุแยกเนี่ยนะพูดยุพูดแยกจนแยกกัน จ, นจนประสานกันไม่ติดเลยเนี่ยแต่ว่าผู้ที่มีสัมมาวาจาเนี่ยนะก็จะพูดคนที่แยกกันให้สมานกันเรียกว่าพูดสมานสมานคนที่แตกแยกอ่ที่แตกกันแล้วก็ส่งเสริมคนที่ พร้อมเพียงกันเนี่ยนะส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วชอบใจเฉพาะกลุ่มชนที่พร้อมเพียงกันยินดีอยู่ในกลุ่มชนที่พร้อมเพียงกันเ พ, พลิดเพลินในคนที่พร้อมเพียงกันแล้วก็กล่าวแต่ถ้อยคําที่ทําให้เขาเกิดความพร้อมเพียงกันพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านี่ที่พระองค์ตรัสเป็นอย่างนั้นจะไม่สร้างความยุแยกจะไม่สร้างความแตกแยกมีแต่สร้างความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็ปรองดอง